ในตัวของรถจักรจะทำยังไงเพราะนั้นนายช่างทั้งหลายก็ต้องพยายามตรวจตราให้ดีที่สุดเป็นตามขั้นตอนลงม า, างนั่นก็คือครูบาอาจารย์อะไรทีครูบาอาจารย์บางท่านบางองค์เวลาท่านได้อบรมเข้าไปอบรมกับครูบาอาจารย์ท่านก็ลักษณะจับองค์นั้นบ้างจับองค์นี้บ้าง